เอานท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจมุนใจก agh, ุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของตนที่ต้องมีความสุขและความเจริญเพราะถ้าจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก็จะมีแต่ความเสือ่อมมีแต่ความเศร้าหมอง จิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจก็จะเดินทางไปต่อถ้าเราได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายถ้าเราสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาตายไปใจก็ไปอย่างวุ่นวายไปอย่างทุกข์ทรมาน <c oughs> ความสุขหรือความทุกข์ของใจนี้ <c oughs> เกิดจากการกระทาของใจเองใจคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะมีความสุขใจคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใจก็จะมีความทุกข์ ใจที่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะมีความทุกข์ใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะมีแต่ความสุขใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้นางที่ทรงได้ตัดไว้ไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานร่างกายนี้เป็นบาวใจเป็นนาย ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเป็นเหมือนรถยนต์ที่คนขับคือใจเป็นผู้ขับให้ไปไหนมาไหนได้ร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งการร่างกายนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้เช่นเวลาที่ร่างกายนี้ไม่มีใจอยู่แล้วเป็นคนตาย นั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็จะเสื่อมล ง, งไปจะบุบสลายเพราะร่างกายนี้ประกอบจากสิ่งต่างๆที่มารวมตัวกันคือดินน้ำลมไฟเมื่อมารวมตัวกันก็ทำให้เกิดเป็นถมเป็นขน เป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงเวลาที่ไม่สามารถอยู่ได้ต่อไปก็คือตายร่างกายก็จะสิ่งที่มารวมกันในร่างกายก็จะแยกกันออกไปน้ำก็จะแยกออกไปลมก็จะแยกออกไปไฟก็จะแยกออกไปเหลืออยู่แต่ดินก็กลายเป็น ดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่มีจุดจบมีจุดเริ่มต้นมีจุดจบแต่ใจนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือใจแต่ใจไม่รู้ธรรมชาติของใจเองเพราะใจไปหลงติดอยู่กับร่างกาย ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวเป็นตนพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรใจก็เกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา <c oughs> เพราะความหลงเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังจากนักปราชญ์ <c oughs> เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย <c oughs> ที่ได้ศึกษาธรรมชาติ ของใจและกายจนเห็นอย่างถ่องแท้แล้วว่าเป็นคนละส่วนกันกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งเหมือนคนขับรถกับรถนี้เป็นคนละส่วนกันรถเป็นอะไรก็เริ่มของรถคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยคนขับเป็นอะไรกายก็ไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยต่างฝ่ายต่างเป็นแยกกันออกไป แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันได้เช่นเวลาถ้าใจไม่สบายก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่สบายไปด้วยหรือเวลาร่างกายไม่สบายก็อาจจะทำให้ใจไม่สบายไปด้วยเพราะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าใจเป็นใจที่ฉลาดจะรู้จักแยกแยะให้ออกจากร่างกาย ถึงแม้เวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่เป็นอะไรไปด้วยเพราะใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองนี่คือเรื่องของใจและกายที่ใจเราจะต้องศึกษาทาความเข้าใจเพื่อที่จะได้คิดดีพูดดีถ้าใจไม่เข้าใจไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ใจก็จะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายถ้าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายขาดแคลนอะไรใจก็จะคิดไม่ดีได้เช่นถ้าไม่สามารถหาสิ่งต่างๆที่จาเป็นต่อการดํารงชีพของร่างกายมาด้วยวิธีที่ถูกต้องคือไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมายก็จะคิดร้ายคือจะต้องไปหามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกกฎหมายอย่างนี้เราก็เรียกว่าคิดร้ายเช่นไม่มีทรัพย์ก็ไปลักทรัพย์ไปป้นธนาคารหรือไปหลอกลวงผู้อื่น<ม>แล้วถ้าอยากจะได้ใครมาเป็นคู่ครอง ก็อาจจะไปประพฤติผิดประเวณีไปเอาสามีเอาภรรยาของผู้อื่นมาเป็นคู่ครองของตนเพราะความหลงเพราะคิดว่าจะทำให้ชีวิตของตนนั้นมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องเกิดปัญหาต่างๆตามมา ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของคือสามีหรือภรรยาถ้าเขารู้เขา้าเขาก็จะต้องตามมาทำร้ายถ้าไปป้นรักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องติดตามตัวเพื่อจับไปลงโทษใจก็จะอยู่อย่างวุ่นวายอยู่อย่างทุกข์ทรมานต้องคอยหลบคอยซ่อนต้องหวาดกลัว อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนส่วนกันร่างกายถ้าขาดแคลนอะไรไปถ้าเราไม่สามารถที่จะหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดทรรไม่ผิดกฎหมายเราก็อย่าไปหามันดีกว่ายอมปล่อยให้ร่างกายอยู่แบบอดอยากขาดแคลนไป อย่างมากก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของร่างกายที่ไม่ว่าจะอยู่ดีกินดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายไปอยู่ดียังนั้นการที่เราไปทาผิดศีลผิดธรรมไปทำผิดกฎหมาย เพื่อที่จะรักษาร่างกายของเรานี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีที่ฉลาดไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะเป็นการทําให้จิตใจของเราเสื่อมลงไปทําให้จิตใจของเรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายยอมอยู่กับคนความอดอยากขาดแคลน ยอมอยู่กับความยากจนยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายใจของเราก็จะไม่เสือ่อมใจของเรากลับจะสูงขึ้นเพราะใจของเราจะปล่อยวางจะรู้จักปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ต่อไปก็จะได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เพราะความทุกข์ทั้งหลายนี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความไม่ปล่อยวางนี่องเรามีอะไรเราก็จะยึดติดจะหวงจะห่วงและเวลาที่เราต้องจากสิ่งที่เรารักเราหวงไปเราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วเมื่อเราตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาสิ่งที่เรารักเราชอบใหม่ แล้วก็มาทุกข์กับสิ่งที่เรารักเราชอบต่อไปเหมือนกับที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้ถ้าเรารักเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราอยากจะให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเขาจากเราไปหรือเขามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจ เพราะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดเราคิดว่าเขาจะดีเสมอจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ของใหม่ทิ้งไว้ไม่นานก็จะกลายเป็นของเก่าไปเช่นรถยนต์ที่เราซื้อมาเวลาซื้อมาใหม่ๆมันก็ใหม่ทุกอย่างใช้ได้ดีหมดแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็เกิดการชำรุดขึ้นมาต้องเอาเข้าอู่เพื่อที่จะซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็ต่อไปก็จะชำรุดมากขึ้น จนในที่สุดจะไม่สามารถรักษาได้ซ่อมได้ก็ต้องทิ้งมันไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เหมือนกับกันหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆหรือร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันร่างกายของพวกเราเมื่อเกิดมาแล้วก็จ ะ, จะเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะเริ่มแก่ลงจะเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเดินเข้าสู่ความตายต่อไปอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เรามาหลงยึดติดหลงคิดว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้เรามีความสุขแต่นักปราสอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงกลับเห็นว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ให้ความทุกข์กับเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆถ้ามีก็ให้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดยอมให้สิ่งที่เรามีอยู่นี้เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเขายอมให้เขาเสื่อมยอมให้เขาดับไป ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความกังวลใจมีแต่ความว้าวุ่นขุนบัวไม่รู้จักจบจากสิ้นทั้งๆที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเขาได้ที่เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาจะต้องเสือ่อมที่เขาจะต้องดับไปในที่สุดคนฉลาด ก็จะรู้ว่าไม่ควรที่จะไปยึดติดเพราะเวลาปล่อยวางได้แล้วจิตใจจะไม่เดือดรอ้อนนั่นเองลองเปรียบเทียบดูถ้าอันไหนของชิ้นไหนเรายึดถือว่าเป็นของเราเราก็จะยึดติดถ้าของชิ้นไหนไม่ไม่ใช่เป็นของของเราเราก็จะไม่ยึดติด เช่นบ้านของเราเราก็จะหวงเจ้ห่วงแต่บ้านของคนอื่นเราไม่หวงไม่ห่วงเราไม่เดือดร้อนเวลาบ้านของคนอื่นถูกไฟไหม้หรือถูกน้ําท่วมแต่ถ้าเป็นบ้านของเราเราจะเดือดร้อนเราจะทุกข์ใจเพราะเราไปยึดติดว่าเป็นของเรานั่นเองถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เราเพียงแต่อยู่อาศัยกับมันไปวันวันหนึ่งแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้กับบ้านที่เราอาศัยอยู่ไฟก็อาจจะไหม้ได้น้ำก็อาจจะท่วมได้ถ้าเรารู้และเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้บ้าน เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะยอมรับความจริงนี้ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน <c oughs> เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> เกิดความเสียหายต่างๆ <c oughs> เราก็จะทุกข์ทรมานใจ <c oughs> นี่คือเรื่องของการดูแลรักษาใจ ให้สุขให้สงบให้คิดดีให้พูดดีให้ทำดีต้องมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งบังคับให้เป็นไปนอย่างอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดมีเสื่อมเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราถ้าเราไปยึดติดเขาจะให้ความทุกข์กับเราถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มีความรู้อย่างนี้อยู่ภายในใจเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆแต่เราก็ยังจะอาศัยสิ่งต่างๆอยู่ไป ตามอัตภาพตามความสามารถคือเรายังต้องมีปัจจัยสี่เราก็มีไปต้องมีบ้านก็มีไปต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีไปมียารักษาโรคก็มีไปมีอาหารไว้รับประทานก็มีไปแต่เราก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนบางวันอาจจะไม่มีอาหารรับประทานก็ได้ บางวันอาจจะไม่มียารักษาโรคก็ได้บางวันอาจจะไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็ได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วกับรับกับเหตุการณ์ได้ไม่มีข้าวรับประทานก็อดไปบ้างก็ได้อย่างคนที่มาบวชนี้เขาก็อดข้าวเย็นกันเขาก็อยู่ได้ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไร หรือบางคนเขามีความเค้่งกว่านั้นเขาก็รับประทานเพียงวันละหนึ่ง ม, มื้อเท่านั้นเขาก็ยังอยู่ได้หรือบางครั้งเวลาที่เขาต้องการจะเร่งความเพียงต้องการปฏิบัติทำให้มากขึ้นเขาก็อดอาหารก็มีเพื่อเป็นการทำแก้ปัญหาของความง่วงเหงาเหงานอนเวลารับประทานอาหารแล้ว จะเกิดความรู้สึกขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนจะไม่อยากปฏิบัติธรรมจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมอยากจะหาหมอนอยากจะหาที่นอนถ้าติดมากๆมันก็จะทำให้เกิดความเกลียดคราบก็จะไม่มีความภาคเพียนในการปฏิบัติธรรม พอไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเวลาก็จะผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จากเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี้เลยดั <c oughs> ยงนั้นนักปฏิบัติบางท่านจึงกล้าที่จะอดอาหารเพราะรู้ว่าการอดอาหารมื้อสองมือ้อวันสองวันนี้ไม่ตายอยู่ได้ร่างกายยังอยู่ได้ พระพุทธเจ้าเคยอดพระกาหารถึง49วันด้วยกันท่านก็ยังอยู่ได้ดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเวลาที่ชีวิตของเราเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความขาดแคลนขึ้นมาเราก็จะสามารถทำใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ถ้าเรารู้จักวิธีควบคุมใจของเราไม่ให้โลกไม่ให้อยากไม่ให้โกรธเวล า, าขาดแคลนอะไรก็สอนใจให้สงบสุดใจทำใจให้สงบหัดทําสมาธิด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือด้วยการดูลมหายใจพยายามฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายถ้าใจสงบใจเย็นสบายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะโอนยาขาดแคลนแต่ใจกับจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับกาน ข, ขาดแคลน ของร่างกายาะใจได้รับการดูแลรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิเป็นตน้นหรือด้วยการสอนใจให้ปรงให้วางให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความจริงอันนี้ได้ผู้ที่ยอมรับความจริงอันนี้ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะจะเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นที่เวลาเขาเป็นอะไรไปเราไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเขา เวลาคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคนอื่นเขาตายไปเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างไรเพราะว่าเราไม่ไปยึดติดกับร่างกายของเขาชั้นใดร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันทุกอย่างมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเหมือนกัน ทำไมร่างกายของคนอื่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไปเราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อนทำไมร่างกายของเราเราทุกข์เราเดือดร้อนก็เป็นเพราะว่าเราไปแยกว่าเป็นของเขาและเป็นของเรานี่เองแต่ละถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าร่างกายของเขาหรือของเรานี้ความจริงนี้มันไม่ได้เป็นของใครเลย มันเป็นของดินน้ำลมไฟเพราะมันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วในที่สุดมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือปัญญาความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราสามารถแก้ความเห็นผิดที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราหรือของคนนั้นหรือของคนนี้ เราก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายเพราะเรารู้ว่าเป็นเหมือนดินน้ำเป็นของดินน้ำน้ำไฟเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมาเรารู้ว่าฝนนี้ไม่ได้เป็นของใครฝนที่ตกลงมาถ้าเราต้องการจะใช้เราก็เก็บกักเอาไว้ใช้ได้แต่เราก็ไม่สามารถไปไปคิดว่าเป็นของเราได้เพราะไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไป ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ระเหยกลายเป็นไอยน้ำขึ้นไปแล้วก็รวมตัวเป็นเมฆแล้วพอเมฆก้อนใหญ่มันก็จะตกลงมาเป็นน้ำฝนนี่น้ำมันก็จะเป็นน้ำอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นของของใครทั้งสิน้นดินน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้เป็นของใครเวลามันมารวมตัวกันเป็นร่างกายมันก็เป็นร่างกายที่มีอาการสสอง ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่จะต้องแยกออกจากกันดินน้ำลมไฟเมื่อร่างกายตายไปแล้วมันก็จะกลับไปสู่ที่เดิมของเขาน้ำก็จะกลับไปสู่น้ำดินก็จะกลับไปสู่ดินลมก็จะกลับไปสู่ลมไฟก็จะกลับไปสู่ไฟมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาไขาครวนมาพิจารณามาคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่หลงไปยึดติดกับร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเราไม่ยึดติดแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเหมือนกับ คนที่ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะมากระทบกับประย์กับความสุขกับของร่างกายเราก็จะคิดร้ายทันทีใครถ้ามาจะมาทําร้ายเราเราก็จะคิดทําร้ายเขาก่อนทันทีเพราะเราต้องการที่จะรักษาร่างกาย ของเรานี้ให้อยู่กับเราไปนานๆ น, นั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราและในวันหนึ่งมันก็จะต้องออล่มสลายไปเราก็จะไม่คิดร้ายเวลามีใครจะมาทําร้ายร่างกายเราอย่างพระพุทธเจ้ามีมีพระรูปหนึ่งที่ท่านมีความโกรธแค้นพระพุทธเจ้า จ้างให้คนไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พอคนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรตัดสนทนากับเขาถามเขาว่าจะมาฆ่าเราทำไมการฆ่าเรานี้มันเกิดประโยชน์อะไรกับคุณคุณอาจจะได้ค่าจ้างจากการฆ่าไม่กี่บาทแต่การฆ่านี้จะทำให้คุณจะต้องไปใช้กรรมต่อไปเพราะว่ามันมีผลตามมา ผู้ที่ฆ่าผู้นั้นตายไปก็จะต้องไปตกนรกนี่คือแทนที่จะคิดร้ายกับเขาทั้งๆ ท, ที่พระพุทธองค์นั้นมีฤทธิ์มีเดช ส, สามารถที่จะใช้ฤทธิ์เดชนี้ทำร้ายหรือป้องกันพระองค์ได้แต่พระองค์กลับไม่ทำเพราะพระองค์ไม่ยึดติดกับร่างกายของพระองค์นั่นเองพระองค์รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายของพระองค์ก็จะต้องตายไป ดัางนั้นพ่อองก็เลยไม่ไม่คิดร้ายแต่กับคิดดีเป็นห่วงเขากลัวเขาจะต้องไปใช้กรรมในนรกไปตกนรกก็เลยสอนความจริงให้เขารู้พอเขาเข้าใจแล้วเขาก็เลยไม่ฆ่าพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของคนที่รู้ความจริงของกายและใจว่าเป็นอย่างไร จะไม่คิดร้ายทำร้ายผู้อื่นจะคิดดีเสมอเวลาเวลาคิดดีใจก็มีความสุขเวลาคิดร้ายใจก็จะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของใจของพวกเราทุกคนทุกวันนี้ใจของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างเย็นสบายมีความสุขหรือมีความเดือดร้อนวุ่นวาย ไปกับเรื่องราวต่างๆถ้ามีความเดือดร้อนมีความวุ่นวายก็แสดงว่าเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเดือดร้อนวุ่นวายด้วยนั้นมันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปสักวันหนึง่งหรือเราต้องจากมันไปสักวันหนึง่งมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราไม่มีมันเรากลับจะมีความสุขมากกว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีอยู่และไม่อยากได้สิ่งต่างๆที่เรายังไม่มีเพราะว่าเราไม่มีสิ่งต่างๆนั้นเรากลับจะดีกว่ามีไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังพระพุทธเจ้าทรงมีสมบัติมากมายมากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าด้วยกัน มีประสาทสามฤ ด, ดูมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทรงกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขจึงกล้าที่จะสละราชสมบัติแล้วไปอยู่แบบขอทานไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรนอกจากบาตรกับผ้าจีวรไว้นุ่งห่มเท่านั้นแต่กลับมีพระไทยที่มีความสุขมากกว่า พวกเราที่มีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆกับมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราอยากมีอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขชีวิตของพวกเราจึงมีแต่ความทุกข์อยู่ทุกวันน่าจะมีอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้ศึกษาความจริง ของสิ่งต่างๆและของใจของเราว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ไม่ให้ความสุขกับใจแล้วธรรมชาติของใจเหล่านี้ไม่ต้องมีอะไรกับจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่ใจต้องการมีเพียงอย่างเดียวก็คือความสงบเท่านั้นและความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรายังไม่ปล่อยวางเราก็จะหวงจะห่วงและเราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ใจของเราทุกทรมานแต่ถ้าเราปล่อยวางเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่หวงไม่ห่วงจะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่หวงไม่ห่วงไม่อยากได้อะไรใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย มีแต่ความสงบนี่แหละคือเรื่องของใจที่พวกเราไม่รู้กันว่าเรามีอยู่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นใจแทนที่จะรักษาใจเราไ ป, ไปรักษาร่างกายเลยทำให้ใจของเราต้องทุกขทรณ า, ายว้าวุ่นกลมว อ, อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราต้องพลิกกลับ ตอนนี้เราอย่าไปรักษาร่างกายดูมันไปตามอัตภาพมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะดูแลมันหรือไม่ดูแลมันอย่างไรก็ตามแต่คนดูแลใจด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนี่คือ ปัญญาหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะไม่ได้ยินกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรม <c oughs> เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือต้องน้อมเอาไปปฏิบัติพยายามสอนใจเราอยู่ทุกเวลานาทีว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความทุกข์กับเราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นแล้วใจของเราจะได้ปล่อยวางแล้วก็จะอยู่อย่างเป็นสุขท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเสื่อมของสิ่งต่างๆและร่างกายของเราเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปไม่มีวันสิ้นสุด นี่คืออานิสงส์ของการมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงขอให้ท่านจงมีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาและพรยามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา